จะมีได้ท่านสาธาชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะบรรยายในหัวข้อมาตาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสตรีมหาสิจันมีข้อความในเรื่องต้นว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันกุงสาวัถี แต่มีพระประสงค์จะเสด็จไปที่ต่างเมืองคือเมืองอื่นพระเจ้าประเสริที่โกศลก็ดีธนานาธาบินติกาเศรษฐีก็ดี แ, แม่แตนางวิสาขาก็ดีไม่สามารถที่จะให้พระพุทธเจ้าหยุดการเสด็จจาริกได้เพราะเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าคือหลังจากออกพรรษาแล้วจะเสด็จ จะริกไปสั่งสอนประชาชนดังนั้นทนานนาธบินทิกะเศรษฐีก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นห่วงเป็นใ ย, ยว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วจะไปนานหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเสด็จมากลับเมื่อกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กระทำให้ทาสีของท่านคนหนึ่งชื่อวปุณณาข้าไปเรียนถาม ก็มีความมิตกเดือดร้อนด้วยไรท่านก็บอกว่าท่านเป็นห่วงพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วจะไปนานแไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นามปุนาก็บอกว่าถ้าหากเรียฉันสามารถราฐนาให้พระพุทธเจ้าประทับจุดได้่ท่านจะว่าอย่างไงอนา ท, ท่านอนาธบินติกะเศรษฐีก็บอกว่าเรฉันจะปล่อยเธอให้เป็นไทยก็ไม่ต้องเป็นทาส นางปุนาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้งดเสด็จต่างถิ่นโดยถวายปฏิญาณบ่าวถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันนางเองจะสมาทานศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูธชาพระผู้มีพระพรภาคเจ้าจึงต้องเสด็จประทับอยู่ เพราะความเคารพในธรรมเตวงานเหล่านี้จาเป็นจะต้องมีคนปฏิบัติแทนจึงท่งพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเทระให้ไปในไปเผยแพร่ศาสนาอบรมประชาชนในทิศนั้นในขณะที่พระสารีบุตรไปถึงทักคินาบุตรซึ่งอยู่ในแคว้นอังคานั้น อนุบาสิกาท่านหนึ่งตึองอยู่ในเมืองที่เดยไปชื่ออย่างไรนั้นในบาลีท่านเรียกแต่ว่านันทมาตาคือมารดาของนันทามานพ ก, กลังษาธยายพระสูตรที่เรียกว่าปารยนสูตรเป็นประสูตรที่เรียบเรียงเป็นฉันหรือเป็นกรอนภาษาบาลี ก็สาธยายด้วยทำนองสรพันยะอย่างเพราะพริงท้าวเวสวุวรรณซึ่งเป็นท้าวจาตุมาราชองหนึ่งได้เสด็จผ่านมาทางนั้นเมื่อได้ยินเสียงสตดประสวด เ, เสียงสวดประสูดก็จุดเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมะและเมื่อนางนันทมาตาได้สาธยายประสวดจบ ท่านก็แสดงตนให้ปรากฏแล้วก็กล่าวยกจ้องสรรเสริญการสาธยายปริสูจิ์ของนางว่าสาธยายด้วยเสียงอันไพเราะถูกต้องตามหลักนางนั้นธรร ม, มาตาก็เรียนถามท่านว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทวเวศสุ ว, สวรรณก็บอกว่าเราเป็นท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของเธอ นางนันทมาตาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันอุจจิกุศลที่เกิดขึ้นจากการสาธยายปร ะ, ประสูติแก่ท่านทวีสุวรก็อนมทนาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าตอนเช้าของวันวันนี้พระสารีบุตรกระพระโมคคลานะและบริวารจะมาถึงเมืองนี้ปเิราทั้งสองนั้นยังไม่ได้อาหารแบิณฑบาต ก็ขอให้เธ อ, อรับรองถวายอาหารแก่พระเีระทั้งสองและบริวารและช่วยอุทิศกุศลให้แก่ฉันด้วยนางนันทา ม, มาตาก็ารับคำแล้วก็สั่งบริวารให้ไปต้อนรับพระเีระปรุงอาหารเมื่อพระเีระมาถึงแล้วก็นาอาหารไปถวายหลังจากเสร็จภารกิจแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่า เธอรู้ได้อย่างไรว่าอาตมาพร้อมด้วยพระมคกัลานะและพระสงฆ์ทั้งหลายจะมาในที่นี้นั้นนั้นทามาตาก็เรียนถวายว่าทาเวสสุวรรณถึงเป็นเท้าจาตุมาราชได้มาบอกแกริชันว่าให้มาตอนรับพระผู้เป็นเจ้าภาษาริบุตรบอกว่าก็เป็นเรื่องอัศจันสำหรับเธออุบาสิกาการที่เท้าจตุมาราี่ทรงพระนามว่าเวสสุวรรณ จึงมีฤทธิ์เมนุภาพมากแสดงตนให้ปรากฏแก่เธอนั่นเป็นความมหัศจรรย์ที่มีได้ยากอย่างยิ่งนังนั้นท้ามาตาก็เรียนถวายว่าแท้จริงแล้วดิฉันมีเรื่องอัศจรรย์ตั้งหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือว่านันทมานพซึ่งเป็นลูกชายของดิฉัน ได้ถูกพระราชาจับประหารเพราะโทษความผิดที่ไม่ปรากฏชัดเจนตลอดระยะที่ลูกชายถูกจับไปถูกตัดสินถูกนำไปสู่ลานประหารถูกประหารนำศพมาเผาทุกขณะนั้นจิตใจของดิฉันมีความเสมอคือไม่มีความหวั่นไหวไม่มีทั้งยินดีและยินร้ายในเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ลูกชายเ่านั้น ภาษาดิบุตรก็กล่าวว่าดูก่อนอุบาสิกาเนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่เธอสามารถทำจิตให้สงบได้ในแต่ละขณะนางก็เรียนถวายว่าดิฉันยังประสบสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นไปกว่านั้นเธ อ, อตั้งแต่เริ่มมีชีวิตมาจนเข้าสู่วัยรุ่นสาวเป็นสาวแล้วก็มีสามีไป จนมีลูกมีเต้าแตสามีตายไปลูกก็ตายไปตลอดการที่ยาวนานนี้แม้ความคิดที่จะยินดีในชายอื่นนอกจากสามีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของดิฉันไดภาษาดิบุเทระก็รับกล่าวว่าเป็นเรื่องอศัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เธอสามารถส ง, งบใจได้ในแต่ละขณะ แล้วก็ควบคุมความคิดของตนไว้ได้ตลอดการอนยาวนานเช่นนี้นานั้นท่ามาตาก็เรียนถวายว่าสามีของดิฉันเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นยักษ์แสดงตนให้ปรากฏแก่ดิฉันด้วยเพศที่ในสมัยที่ยังเป็นสามีจูแต่ว่าจิตใจของดิฉันเองก็วางเฉยไม่ได้ชื่นชมยินดีไม่ได้เศร้าโศกเสียใจ ต่อการตายและการปรากฏของสามีปฏิราก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องอศัศจรรย์อีกประการหนึ่งที่เธอสามารถทำใจส ง, งบได้ในขณะนั้นๆแล้ว น, น, นางก็เรียนถวายต่อไปว่านางไม่ได้มีความเคลือบแคลงสงสัยในคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้โดยนิยะต่างๆ มีความเชื่อมั่นอันยัางลงมั่นคงในพระธรรมเหล่านั้นแม้จะมีคนมากล่าวให้วิปลาสคลัเคลื่อนไปอย่างไรท่านก็ไม่หวั่นไปสารีบุตรก็บอกว่า น, นี่ก็เป็นเรื่องอศรรัศจรรย์อีกประการหนึ่งที่เธอได้ประสบแล้วทำใจให้สงบได้โดยใจของตนจนถึงมาข้อสุดท้ายนางก็เรียนถวายว่าอดีฉันได้ตรสอบใจของดฉันเองดูแล้ว โดยเห็นว่าโอรัมพาคิยสังโยน์คือสังโยน์เบื้องต่ำห้าประการนั้นไม่ได้มีเหลืออยู่ภายในจิตใจของนิฉันเลยภาลีบุตรก็กล่าวว่านี้ก็เป็นความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งที่เธอสามารถซสงบดับสังโยน์ทั้งหประการออกไปได้โดยจากนั้นพระเทระทั้งสองก็ได้กล่าวทรมิกถา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความอาถรรพ์รื่นเริงมันถึงใจปิติปราโมทแก่อุบาสิกาแล้วก็ความในตอนนี้ในเรื่องที่น่าศึกษาอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับพุทธกิจพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่เป็นปกตินอกจากพุทธกิจหประการที่เคยเล่าฟังแล้วโรงมีงานอีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นงานหลักเช่นเดียวกัน คือปีหนึเดือนนั้นพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเรียกว่ารูดูจำพรรษาคือตั้งแต่ขึ้น15บาค่ําเดือน8เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือน 12. สิบสอทรงใช้เวลาอยู่ประจําที่อยู่สเดือนแท้จริงในสเดือนนั้นสมเดือนแรกก็เป็นเรื่องของพรรษาเดือนที่หลังนั้นต้องการจะรอคอยประสาวกซึ่ง แยกย้ายจำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆจะมาเฝ้ารายงานการประพฤติปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเดี๋ยวพระองค์ก็จะแสดงธรรมะอนุโมทนาเป็นต้นตามสมควรเกริดกรณีลจากนั้นจะพร้อมด้วยพระสงฆ์พุทธสาวกจะจาริกไปในที่ต่างๆเป็นเวลาถึง8เดือนเ แ, แสดงว่าสเดือนอยู่ประจำที่แล้วก็8เดือนที่จะจาริกไม่มีที่ที่แน่นอนเเสด็จด้วยไปเพื่อสั่งสอน ทำประโยชน์กือกูลแก่ประชาชนจากข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเรามีเรื่องที่ขัดแย้งกับพอสมควรอฝ่ายหนึ่งต้องการจะให้ดึงวันพระกลับมาเพื่อจะดึงยยชนเข้าหาวัดหรือใกล้ชิดกับประสาศาสนาหรือก็เป็นความคิดเห็นที่ออกเจนุรักษ์นิยมพอสมควรปัญหาที่คนอื่นก็ตั้งข้อแม้มาว่า เมื่อหยุดปัญพระวันโกลแล้วเนี่ยคนก็จะมาวัดจึงหรือนั้นก็คือปัญหาที่เราจะต้องแสวงหาคําตอบกันต่อไปและแม้ภายในวัดเองก็มีคนที่จะสนองความต้องการของสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในเวลารวดเร็วหรือไม่อันนี้ทางวัดเองก็ต้องหาคําตอบเหมือนกันแล้วนั่งจากจากจุดดีถ้าหากว่าเรามีจุดกลางทางความคิดมานัดพบกันครึ่งทาง โดยลอกเรียนพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าก็คือเมื่อโยมไม่สามารถเข้าวัดได้ถึงว่ากันตามความเป็นจริงถ้าเข้าพร้อมๆกันมันก็ไม่ได้อยู่แล้ววัดเราก็มีอยู่จำนวนน้อยแล้วก็ที่แคบๆทั้งนั้นก็เพียงว่าวัดเข้าไปบ้านคือใช้สื่อสารมูลชนให้เป็นประโยชน์มีการนัดหมายการตกลงกันว่าวันพระหรือวันโกนก็ตามให้คนได้ วางธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะกันโดยใช้เวลาของราชการแล้วก็ใช้สื่อสารมวลชนจะเป็นโทรทัศน์ซึ่งตามปกติก็ควรจะเป็นโทรทัศน์วิทยุให้เป็นประโยชน์ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดกลางที่พอประสานประโยชน์กันได้คือโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียส่วนจะเดินขั้นต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ตามหลักที่เป็นพุทธจริยาจริงๆนั้น พระพุทเจ้าก็เสด็จไปตั้ง8เดือนเราจะไปอย่างนั้นก็คงไม่ได้ลักษณะาทางสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เงื่อนไขต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปแต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วยังผิดกับสมัยพุทธกาลที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่รู้แต่เจ้าก็เสด็จไปด้วยความกรุณาแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาหรอก แต่ว่าต้องการจะทําประโยชน์เกื้อกูลและหน่วยความสุขให้แก่เขาเ ข, า เ, ขาเกิดศรัทธาเลื่อมายในศาสนาเขาก็เปลี่ยนเขาเองปฏิจริงในความยึดมั่นในศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับประชาชนทั่วไปในสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรมากนักเพียงแต่ว่าชอบฟังคือไปกันทุกงานเพราะว่าเป็นคนสนใจในธรรมะตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองในประการหนึ่งคือข้อที่น่าสังเกตว่าในเมื่อเป็นพุทธจริยา พระพุทธเจ้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีเหตุผลอื่นที่เหนือกว่านั้นเมื่อถึงคราวที่จะเสด็จจาริกพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จจาริกแต่ตอนนั้นกำลังเตรียมตัวจะไปเตรียมพระองค์จะไปคือยังไม่ได้ถึงเสด็จไปท่านผู้ใหญ่ในกรุงสาวัตถีทั้งสามท่านคือท่านพระเจ้าประสิทธ์โกศล น, นาตบินกะเศรษฐีและนางวิสาขาก็มากราบทูลราธนาให้ประทับอยู่ที่นี่ ก็อยู่น้อยเหลือเกินนะครพระพุทธเจ้ามันอยู่เพียงสองอสามสเดือนเท่านั้นเองแล้วจะเสด็จออกทำให้คนเป็นอันมากบางคนก็ยังไม่ได้เข้าฟังธรรมไม่ได้เข้าเฝ้าจะต้องการจะให้ประทับอยู่เป็นความอบอุ่นแล้วก็คงจะมีเหตุผลด้านอื่นด้วยแหละอาจจะต้องการเหตุผลทางอะไรจะพูดสำรวจปัจจุบันก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวมรรคพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงสาวัตถีคนก็ต้องมาเฝ้าที่กรุงสาวัตถี แต่การค้าขายต่างๆในกรุงสาวัตถีมันก็คงจะดีขึ้นกว่าปกติอีก็แต่พุทธจริยาพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จแต่ว่านางกุณณาซึ่งเป็นเพียงนางทาสีมาราธนาทําไมพระพุทธเจ้าจึงอยู่ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว่าประชามราธนามหาเศรษฐีซึ่งเป็นอุบาสกผู้ใหญ่นางวิสาขาซึ่งเป็นมหาอุบาสิกาแล้วก็มีฐานะเมันก็ลูกสาวพระพุทธเจ้ามา น, นิมนต์ทําไมไม่อยู่ ข้อนี้ท่านบอกว่าเพราะพระพุทธเจ้ามีความเคารพในธรรมคือคนอื่นมานิมนต์ให้อยู่แต่ไม่ได้พูดถึงธรรมะนิมนต์ให้ประทับอยู่นางบุญนาเกชหลาดแกพูดว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หม่อมชั้นจะสมาทานศีลจะฟังธรรมจะปฏิบัติธรรมพระพเจ้าต้องเสด็จกลับเพราะความเคารพในธรรมนี่คือปัญหาที่เราจะเห็นว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งเมื่อมีการประรบธรรมะบางครั้งบางคราวเนี่ย จะเจเนยยากลําบากอย่างไรเราก็ต้องไปคือต้องทําเพราะพุทธิยาเป็นอย่างนั้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องเดินสายนั้นเหมือนกันเพื่อแสดงความเคารพธรรมะพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทรับอยู่แต่ภารกิจภารกิจที่จะต้องทํานั้นคือต้องทําละล ะ, ละเลยไม่ได้เมื่อพระองค์ทําไม่ได้ก็มีคนแทนคือส่งพระเทรศผู้ใหญ่ทั้งสองไปพร้อมด้วยบริวาร ข้อนี้เป็นการแสดงเห็นถึงโครงสร้างอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปผูดได้เจ้าคณะอำเภอตั้งส0 0ร้อกว่าองค์ฟังจะบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นระบบในการพัฒนาคนพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างคนเพราะพ่อแม่ก็สร้างมาเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่แต่เพียงพัฒนาพัฒนาให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในาศาสนธรรมดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธปณิธานหลักจึงจะต้องมีการสืบทอดโดยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริษัททั้งสี่พระพุทธปณิธานหลักนั้นเป็นพระปณิธานที่พระองค์ได้ตั้งไว้เมื่อประทับที่อัจจปานิครตแต่เวลานี้มาก็มาพูดเป็นกรอเปให้ลักษณะคล้องจององ่ายต่อความเข้าใจ คือพระองค์จะประทับอยู่เพื่อให้พุทธบริษัทพุทธบริษัททั้ง4ได้ศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แล้วก็แก้พระรับพระว่าไ ด, ได้เป็นงานลักษณะที่วงจรคือหมุนกันไปเรื่อยๆ3ข้อแรกก็เป็นเรื่องเฉพาะเราก็เรียกว่าอัตผประโยชน์ข้อที่2ก็เป็นป ร, ริตรประโยชน์เออไม่ใช่ข้อที่4นะฮะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นตามลักษณะของศาสนาหรือการแนะนําสั่งสอน แล้วข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็เป็นการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้อนั้นก็คืองานหลักที่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกได้ทํากันหรือเมื่อคนหนึ่งทําไม่ได้คนหนึ่งต้องทําได้แล้คนหนึ่งไม่อยู่คนหนึ่งต้องทําได้ต่อไปพระฝีมือมีมากเหลือเกินสมัยพุทธกาลคือแทนกันได้ตลอดเลยองนี้ไม่ว่างองโนนก็ไปองนี้ติดธุระอง์นี้ก็ไปแล้วก็ทําได้เหมือนกัน อันนี้คือโครงสร้างในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลจึงมีลักษณะเป็นธรรมเสนาคือของทัพธรรมโดยแท้มีภาษาริบุตรเป็นธรรมเสนาบดีมีพระเจ้าพ ร, พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชามีพระมหาโมคคลานะเป็นแม่ทัพใหญ่ในการที่จะเผยแผ่าศาสนธรรมไปสู่มวลมนุษย์ชาติด้วยวิธีการต่างๆและในถินต่างๆพุทธสาวกจึงมีการพัฒนาขึ้นไปทุกจุด ของพุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้ง4ี่ทท 4, คือไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระออกพระภิกษุภิกษุนีสามเนรสามัญเนรปรีนางสิกะบานนาวบาสกบาิกาคือสรุปว่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายคือหัดได้บาปเปชิตนั้นฝีมือเหลือชั้นก็เรียกว่าคุณภาพครับแก้วเลยเดียว เ, เพราะว่า แต่ะองค์นั้นได้ผ่านระบบการศึกษาการปฏิบัติจนสัพพัฒผลมาในชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็แสดงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมแก่ชั้นนั้นๆแก่ฐานะนั้นๆพระพุทธเจ้าเสด็จไม่ได้พระหมหาสาวกทั้งสองก็เสด็จไปเรื่องพระหมหาสาวกทั้งสองนั้นก็มีข้อที่น่าศึกษาอยู่ประการหนึ่งก็คือพระเทร่าผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าจะยกจ้องในฐานะที่แตกต่างกัน พระมาศาวกทั้งสองคือภาษาดิบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นไดรับยกย่องในฐานะพิเศษนอกจากเอตตะคะส่วนตัวของท่านที่เป็นอักสาวก ค, คือฝ่ายภาษาริบุตรก็เลิอทางปัญญาพระโมคคัลลานะก็เลิอทางริษแล้วเรายกย่องว่ามีฐานะที่จะปกครองสงฆ์ทัดเทียมกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคนที่จะปกครองสงฆ์ระดับนั้นได้เพียงสมองค์ต่นนั้นเองคือพระพุทธเจ้าพระษาริบุตรและพระโมคคัลลานะ อันนี้ก็ทำให้เราเห็นโครงสร้างพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งว่าถ้าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไม่นิพานโครงสร้างพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นอย่างที่เป็นแต่พอพระเถระทั้งสองนิพานไปก่อนพระพุทธเจ้านะฮะองหนึ่งก็เดือสมเดือนครึ่งองคหนึ่งก็สเดือนทําให้โครงสร้างพระพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงไปกแทนที่จะมีบุคคลรับผิดชอบบริหารสูงสุดพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จะถือองค์นั้นเป็นประมุขที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นพระธรรมวินัยแต่ถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาโดยอาศัยการปตรนิพนธ์ของมัารีบุตรก็จะพบว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเองพระพุทธศาสนาจะไม่มีตัวทายาทที่เป็นทําหน้าที่แทนพระศาสดาแต่จะมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนอยู่ตลอด โดยหลักของพระพุทธศาสนาคือเรียกว่าเป็นประเพณีพุทธประเพณีคืออย่างหนึ่งคพุทธประเพณีนั้นหมายความพระพุทธเจ้าในปางก่อนนั้นทำอย่างไงพระพุทธเจ้าในปางหลังก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นแปลกแปลกใหม่ๆพระพุทธเจ้าจะมองย้อนอดีตทุกทีเลยว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าในอดีตทําอย่างไรและพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเจ้พระพุทธเจ้าในอดีตเวลาเสด็จไปเยี่ยมพระ พุทธบิดาพระพุทธมารดาพระประยุรญาตินั้นทำอย่างไงพระเจ้าก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าตอนเสด็จไปโปรดพระญาติคราวแรกพระเจ้าสุโทธทนะนั้นถือว่าลูกชายมาบ้านก็ไม่ได้นิมนต์นึกว่าจะไปกินข้าวที่บ้านแต่ว่าลูกขึ้นชา้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จออกไปบิณธบาตพระเจ้าสุโทธทนะเองเข้าไปถึงวางกรสังตกแต่งอาหารอย่างประณีตทีเดียวมีจัดที่จัดทางเรียบร้อยแต่ไม่ได้นิมนต์ วันนี้มนุ์พระพเจ้าก็เขาไม่ในมนก็ไม่เสด็จถือว่าเป็นพุทธประเพณีอย่างหนึ่งว่าเมื่อถึงราชสกุลคือไปเยี่ยมพระพุทธบิดาหรอพุทธมารดานั้นจะเสด็จออกโปรดสัตว์ตามปกติจาสุดโททนะพอรู้ข่าวมองทางช่องประแกอาหารเตรียมไว้ตั้งเลี้ยงพระตั้งเป็นเป็นร้อยๆนะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปบิณธบาติเยก็ต้องวิ่งออกมา ก็ตำหนิพระพุทธเจ้าว่าทําให้พ่อเสียชื่อเนี่ยมันจะขอทานก็ข้างบ้านข้างวังอันนี้ก็ต้องพูดกันใหม่นะฮะว่าเป็นคนละประเพณีกันประเพณีของพระพุทธเจ้าก็เป็นประเพณีหนึ่งประเพณีของราชวงศ์สักยะก็เป็นประเพณีหนึ่งการนิพพานก่อนของพระอักษาวกจึงเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาว่าพระอักษาวกทั้งคู่จะต้องนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตนั้นคือสูตรไปเลย มันกลายเป็นสูตรพระกอบเป็นการค้อบเป็นข้อปฏิบัติที่ตายตัวแต่ว่าในขณะที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เรียกว่าทำงานที่ไหนศึกหนักตรงไหนสง่สงสององนี้ไปก็ได้เรื่องทุกทีโมกขลานะก็หนักในการใช้ฤทธิ์พระโมคภาษาลิบุตรก็หนักในด้านใช้ปัญญากำรราบวาทะละทัทธิทิตฐิของคนต่างๆที่เพี้ยนเพียนก็อยู่ในสมัยนั้นก็มากพวกอย่างนี้ต้องใช้ภาษาริบุตร แต่ถ้าคนที่กำแข็งคึกขนองอวดฤทธ์อวดอวดดำนาจก็จะใช้ประโมกขารณนะแล้วก็สาเร็จ ท, ทุกทีนางนันทมาตานั้นคือบางทีชื่อว่ากาลีนะฮะกาลีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่คำหยาบน ะ, ะกาลีอย่างไรที่ว่ากาลีสถานนี่ก็จะตั้งกันที่ปัญจากาลีในที่นี้หมายถึงสีผิวนะฮะแต่บ้านเราก็เรียกว่าดำ ก็ดธรรมดาก็คงจะอาศัยสีผิวเป็นมหาอุบาสิกาผู้ใหญ่มากระดับเอตตะคะสาวิกาในส0ท่านในส0บท่านด้วยกันที่เคยเล่าให้ฟังบางท่านแล้วท่านก็สาธยายพระสูตรพระสูตรนี้เป็นการแสดงธรรมะโดยลาดับแต่วันหลังจะเอามาเล่าให้ฟังมเป็นฉันสาธยายด้วยทานองสรพพันยะ แสดงว่าการสวดสรพันยะมันก็มีมาแต่โบราณเพราะาลักษณะทางฉันถ้าเราสวดสรพันยะแล้วก็ง่ายนะฮะอย่างอย่างรำวัดเย็นเทบุทัฐสาหัสสมิดาโซวะขึ้นไปเนะี่ยเราสวดสรพันยะแล้วจะจำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าใกล้ใกล้เสียงมันส่งกันนะฮะเสียงมันส่งกันทําให้เรียกอีกตัวหนึ่งขึ้นมาได้เพราะความคล้องจองของด้านสัมผัส แต่ว่ามันก็สําหรับภาษาบาลีที่คนที่รู้ภาษาบาลีก็คล้าย ๆ, ๆกับกรอนภาษาไทยนะฮะถ้าเราใช้คำกรอนก็ช่วยบางทีมันก็ช่วยได้แยะเพราะเสียงสัมผัสมันเรียกทําให้เราสะดุดได้แต่เรานึกขึ้นมาได้เป็นการลุกขึ้นสาธยายตั้งแต่ยังไม่รุ่งเชื่อเห็นถึงอุตสาหะวิริยะของมหาบาจิกาท่านนี้เป็นอย่างมากท้าเวสุวรรณนั้นคือเท้ากูเวนเป็นเท้าจัตุมาราชที่ออกจะ คุณเคยในวงการชาวพุทธมากแล้วก็ยักษ์พระแก้วพระเก้วนี่ก็คือเท้ากุเวนเป็นหลักนะฮะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เป็นเท้ากุเวนเพราะเป็นเทวดารักษาพระศาสนาเจ้าคนไทยเราถือเลยไปจนถึงกับเป็นแม่ซื้ออะไรรักษาลูกรักษาเต้านะฮะก็ป้องกันไม่ให้ผีสัตว์ผีสัตว์รบกวนเมื่อก่อนก็ทำเป็นรูปเท้ากุเวนเอาไว้เ อ, อ่อจึงคุ้นเคยกันแต่เราส่วนมากเรียกเรียกเท้าเวสุวรรณ ไม่เรียกเท้ากูเวยในในที่นี้ในพระสูตรนี้กลับเรียกเท้าเท้าเวสุวรรณไม่ได้เรียกเท้ากูเวยท่านเป็นพระโสดาบันนะท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลคือถ้ า, าตุมาราชทั้งสี่มันก็เป็นพระยาตสาวกทั้งหมดพอได้ยินธรรมะต้องหยุดเพื่อถวายความเคารพธรรมะนี่คือหลักปฏิบัติประกาศหน่งจากข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เวลามีการกล่าวธรรมเวลามีการแสดงธรรมเดี๋ยวนี้คือแม้แต่สงฆ์เด็จสังการาชเสด็จก็ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้นะโดยหลักพอแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคารพธรรมะแต่เคารพคน ต, ตุนเตปสังกัลราชเองก็ต้องเคารพธรรมะพระพุทธเจ้าเองก็ต้องเคารพธรรมะนางบุญณาแสดงหเห็นว่าต้องการจะเชิดชูธรรมปฏิบททัติธรรมพุทธเจ้าต้องเสด็จกลับนะฮะไม่ แ, แม้แต่จะเสด็จไปโปรดประชาชนก็ยังไม่ได้ไปเลยอันนี้ก็คือหลักสูตรเราจะเป็นเป็นสูตรไม่ใช่หลักสูตรคือเป็นสูตรอย่างหนึ่งที่พระอริยะทั้งหลายนั้นจะให้ความเคารพเชิดชูธรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองคราวหนึ่งพระกำลังสาธยายพระสูตรกันอยู่พระเจ้าเกิดเสด็จผ่านไปต้องหยุดหยุดฟังแต่ก็ไม่ไม่เสด็จโปรออกไปนะฮะกลัวพระก็จะกระดักกระเดิงก็ยืนฟังประทับยืนยเฉยๆแล้วก็ เมื่อเขาสาธยายเขาเสร็จเขาเทศเขาเขาสวดกันเสร็จพระองค์ก็เสด็จเข้ามานี่คือพุทธประเพณีนะฮะประเพณีของพุทธะทั้งหลายจะเป็นระดับใดก็ตามจะให้ความเคารพในธรรมแต่เราก็เลื่อนๆไปยังไงชอบกวนคือผู้ใหญ่บางทีท่านก็ลืมๆไปฮะอัตตาท่านใหญ่ขึ้นเพาท่านใหญ่และอัตตาท่านใหญ่ขึ้นนะฮะฉันต้องใหญ่ฉันมาทุกคนต้องรู้ขึ้นต้อนรับบางทีพระเทศพระกำลับบงเทศโดยโยมต้องละจากพี่ฟังเทศไปต้อนรับผู้ดาผู้ใหญ่กันนี่คือความผิดพลาด เราไปเสริมอัตตาให้คนอื่นมากเกินไปแล้วเราละเลยธรรมะจึงจะต้องให้ความเคารพเราไม่ได้เคารพผู้แสดงนะฮะแต่เคารพธรรมะอยู่เวลานั้นนี่คือประเพณีของพระยาศาพกพกเพราะงั้นเมื่อท่านได้ยินสาธยายประสูต์แต่ว่าท่านฟังการรู้เรื่องนะฮะตั้งฟังการรู้เรื่องเพราะเป็นภาษากระแทกท่านก็หยุดให้ความเคารพในธรรมะหยุด เ, เมื่อฟังธรรมะเสร็จก็ลงมา ปรากฏตัวเป็นการปรากฏตัวที่พระสารีบุตรบอกทีหลังเป็นเรื่องอัศจรรย์นะฮะโยมอาจจะสงสัยเอ๊ะเท้าเพชสุวรรณไม่ว่างว่างมาเห็นมาเที่ยววัดวรมาไงไงอะไร่าง้ยก็มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ เ, เรื่องอัศจรรย์สําหรับใครก็ตามที่เทพหมาเทพขนาดนี้ลงมาพบนี่ก็ถือเรื่องอัศจรรย์มากฮะพระสารีบุตรเลยบอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่หมาเทพผู้มีฤทธิ์มีอำนาจขนาดนี้ปรากฏตัวให้เธอเห็นนะฮะปรากฏตัวให้เธอเห็นด้วยด้วยด้วยด้วยตาธรรมดา ไอ้ที่ไปจากสู่ท่านเหล่านี้ก็คงจะคงจะเห็นได้แล้วแต่ว่าการปรากฏโดยรูปหยาบให้คนสามัญให้คนเห็นโดยคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องอัศาจรรย์ส้หมอ บ, บุคคลพูดนั้นออมีข้อที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าท่านใช้คำว่าพี่ชายของเธอคนนี้ก็ต้องเลยถามพระอาจารย์อาจารย์ดูทําไมใช่อย่างงั้นพระอาจารย์อาจารย์บอกว่าออโดยหลักแล้วนะฮะ นางนั้นท้ามาตาเป็นพี่ทา้าเวสุวรรณเป็นน้องแต่ว่าทา้าเวสุวรรณเองพูดตามอายุคือคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าพระอริยสาวกนะพระอริยสาวกนีออ่ท่านถือเป็นพี่เป็นน้องกันโดยมรรคโดยผลคือบางทีลูกสาวเป็นพี่ของพ่อก็มีอย่างนางสุมณเทวีลูกอนาตบินนิกาเศรษฐีนะฮะท่านเป็นพระจักกะคามีซึ่งเหนือชั้นกว่าพระออท่านนาตบินนิกาเศรษฐีชั้นหนึ่งแล้วตอนท่านจะตายนะฮะท่านก็บอกว่าเออ คือคือท่านานาทบินิกาเศรษฐีก็ไปเฝ้าอยู่นะแล้วท่านก็พูดนางก็ฟังไม่ชัดท่านก็ถาม ว, าว่ายังไงน้องชายว่ายังไงท่านานาทบินิกาเศรษฐีก็เสียใจว่าแมลูกสาวดีเลยเกินทําไมมันหลงตายได้ไม่รู้แล้วเฝ้าพระพุทธเจ้าพ่าไม่รู้เป็นไงสุมนเทวีนี่ก็ดีเหลือเกินแต่พอตายทําไมหลงตายพุทธเจ้าบอกเขาไม่หลงหรอกเขาเรียกตามมรรคผลเว่าเธอมีมรรคผลตามกว่าเขาชั้นหนึ่งเะงั้นในชั้นเขามรรคผลแล้วเธอก็เป็นน้องเขา นะแต่ว่าในชั้นของกำเนิดเธอก็เป็นพ่อของเขามันคนละพูดบูงคนละเรื่องออการการพูดในที่นี้ก็เหมือนกันท้าวเวสุวรณท่านพูดในด้านอายุแตพระอาจารย์ท่านก็บอกนะครับท้าวเวสุวรณองค์นี้นะชัว้วองค์ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก็คงจะอยู่มาถึงทุกวันเนะี่ยครเพราะอายุท่านยืนนะเทวดาอายุของเทวดาท่านชั้นจ่าตูมาราตอายุไขนะอายุไขตั้ง9้าล้านปีนะถ้าเท่าปีเราเพราะ ง, งั้นโยมไม่ต้องเป็นห่วงป่านนี้ท่านยังหนุ่มแน่นนะยังไม่ต้องยังอยู่สบาย พระพุทธเจ้าเพิ่งนิพพานมา20กว่าวัน น, นั่นเองยี่สิบกว่าวันนะสำหรับท่านสี่กว่าวันนะฮะเพราะว่าจตุมาราชเนี่ยมันเทียบโลกมนุษย์แล้วคือ50สปีต่อหนึ่งวันไม่ใช่ดาวดึงดึงดาว่าดึงมันร้อยปีต่อหนึ่งวันร้อปีโลกมนุษย์นะฮะต่อหนึ่งวันของเขาหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขา เ, าเป็นเรื่องของกฎของกามที่เคยพูดฮนะกรรมโยนิกรรมปฏิสนโนคือคนเกิดมาอย่างนั้นเอง เกิดมาในกำเนิดนั้นอายุก็ต้องยืนนะฮะเกิดเป็นยุงเกิดเป็นอะไรก็อายุสั้นมันกำเนิดเป็นอย่างนั้นเองเราอย่าไปติดใจอย่ยาไปสงสัยเลยเป็นเรื่องวิสัยเขาเรียกว่ากรรมวิปากรวิสยัยวิสัยของกรรมฮะวิบากกรรมที่อํานวยผลออกมาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านี้ท่านพูดกันคนละสายท้าวสุวรรณพูดในแนวอายุซึ่งว่ากันตามศักดิ์แล้วท่านนันทมาตาท่านเป็นพี่นะฮะ เพราะท่านเป็นพระนาคามี่เราจับได้ตอนหลังท่านจะเห็นว่าพูดไปพูดมาท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านเป็นพระนาคามีก็แน่พดะนาคามีก็ไม่หวั่นไหวแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนั้นแสดงว่าจิตใจของท่านมั่นคงมาแต่ต้นเช่นว่าการที่ลูกชายต้องตายไปท่านก็ไม่หวั่นไหวอันนี้ก็ไม่บอกว่าไม่หวั่นไหวตอนเป็นพระนาคามีหรือก่อนแต่นั้นนะฮะ การเป็นอนาคามีก็ต้องเป็นหลังจากฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปแล้วทีนี้ท่านก็คงจะไม่อายุเด็กๆอะไรนักหนาก็มีลูกมีเต้าก็เรียกชื่อเป็นนันทมาตามาตลอดนะฮะแม่ของนันทมานบก็เหมือนกับนางภาษาดิบุตรเขาเรียกว่าลูกลูกชายนางสารีแต่ที่จะเรียกจะเรียกชื่อท่านก็เรียกลูกนางสารีพระโมคคันลานะก็เรียกนางอลุกนางมคโมคคันรีเพาชื่อแม่มาเรียกนะฮะแต่นี้เอาชื่อลูกมาเรียก ไมลูกมาเรียกก็แล้วแต่จะเรียกสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือความไม่หวั่นไหวในด้านนี้นะถ้าหากว่าเกิดมาก่อนเป็นพระนาคามีก็อัศจรรย์แต่คงจะเกิดมาก่อนนะครับเพราะถ้าไม่เกิดมาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ประการแรกก็คือการมามาพบเยี่ยมเยียนแล้วก็ซักถามของเทวิสุวรรณก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ประการแรกแต่ก็มีประเด็นที่น่าคิดอยู่ก็คือว่า นาอุทิศ ส, ส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการสาธรรยายประสูชน์ถวายพระเวรก็อนุโมทนาพระเบญวรรก็อนุโมทนาแต่ก็บอกว่าให้ช่วยไปต้อนรับพระสารีบุตรกระพระโมคะลานะใบริวารพอเสร็จแล้วช่วยอุทิศกุศลให้ฉันด้วยอันนั้นก็คือการอุทิศกุศลให้ฉันแต่ก็หมายความว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องคนละเรื่องกันนะฮะการโมทนาก็โมทนาแล้วก็เรื่องคนนี้ก็อาหารก็เรื่องของอาหารออแสดงว่า การอุทิศกุศลให้แก่เทวดาหลังจากนะฮะหลังจากได้กระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เราสวดบุญยศสิฎากันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือประพฤติธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะสำหรับชาวพุทธแต่ว่าพวกพราหมณ์เองก็ถือประพฤติปฏิบัติกันมานานะการต่อไปก็ประการที่สองก็คือจิตที่ไม่หวั่นไหวเมื่อยามประสบกับการพรากจาก แรงนะฮะลูกชายคนเดียวลูกโทนคนเดียวตายนี่ไม่หวั่นไหวทุกจุดตั้งแต่จับ แ, แสดงเห็นว่ายัางเข้าถึงกฎกรรมสกตาญาณอย่างสูงนะกรรมสกรมิกรรมดายาโดที่สวดนตฮะจะปสวดถึงใจหรือไม่แต่นั้นเองนะบางทีก็สวดก็ตั้ง 20-30 ปีพอลูกตายทีร้องไห้สามวันยังไม่หยุดก็นี่ก็แสดงว่ายัางไม่เข้าถึงใจ เพราะเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เอาปัญญา้นนะฮะจะทำยังไงเราจะจึงจึงจะปรับใจได้แต่จริงก็ตั้งหลักยากเหมือนกันนะฮะมันก็แตกกระทันแรงๆเสียหลักออกไปมากแต่สำหรับท่านท่านตั้งหลักได้ทุกจุดทุกขั้นตอนรู้เรื่องตลอดนะฮะอุบาสิกาเหล่านี้ท่านก็คงจะนึกออกนะที่เคยเล่าเรื่องพระนางมาริกานางมาริกาชายาของพันธุลเสนาบดีที่ลูกชายสี่หกคนนะฮะถูกฆ่าหมดเลยกับสามี ทุกแอบฆ่าหมดแล้วท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรรุ่งขเช้าก็เลี้ยงพระเฉยเลยไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไไไสแสดงแม้แต่สีหน้าเขาส่งหนังสือให้อ่านเสร็จก็เน็บจายพกเลี้ยงพระต่อไปไม่พูดไม่จาอะไรไหนแต่นั้นท่านเป็นปโสดาณนะโสะดาบันแต่องค์นีน้ท่านอ่ะท่านปุณิย์เป็นพระนาคามีคือสูงขึ้นไปอีกสองชั้นถ้าตอนก่อนก็ไม่น่าอาจารย์แต่ที่พระสารีบุตรบอกว่าอาจารย์สแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องตอนหลัง ไม่ใช่ตอนก่อนจากเป็นพระนาคามีจึงกลายเป็นเรื่องอาชจรรย์ประการที่สองก็คือในด้านจิตใจนะที่ไม่ใระไม่ใช่หนึ่งสองประการที่3ก็คือประการที่นางไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวในเมื่อสามีของนางแสดงตัวคือเกิดเป็นเป็นยักษ์แล้วก็มาแสดงตัวให้ปรากฏ คือไม่หวั่นไหวในฐานะที่เรียกว่าอะไรคืกลัวผีก็คนบางคนอย่า ง, ง น, นั้นนะฮะเวลาพ่อแม่ตายร้องไห้ญาติพี่น้องตายร้องไห้สมมุติว่าท่านเหล่านั้นลุกขึ้นมาจริงๆก็วิ่งหนีกันเออคนเไม่รู้จะเอาอะไรนะฮะคือถามถามใจตัวเองว่าฉันจะเอาอะไรเนี่ยตอบไม่ได้นะฮะไม่มีแครอธิบายได้เลยญาติพี่น้องตายร้องไห้นะพอลุกขึ้นมาก็วิ่งหนี นะก็มีเรื่องอยู่เป็นอันว่าที่คนเราเนี่ยห้อมล้อมกันอยู่ที่โรงนะครับพอแม่เสียงดังข้างโรงก็วิ่งหนีแล้วคือจะคิดเป็นในเรื่องผีนี่ถ้าเรามองในแง่กลัวนางก็ไม่มีความกลัวในแง่ที่อะไรยินดีก็ไม่มีความอะไรยินดีคือมีทั้งสองด้านนะฮะท่านคนตายปรากฏตัวตามปกติคนเราจะหวาดกลัวแต่นางก็ไม่หวาดกลัวแต่เมื่อสามีอดีตสามีปรากฏในรูปร่างเดิมคือราชาตัต ที่ยังเป็นสามีอยู่นาก็ไม่มีความอะไรยินดีในเรื่องเหล่านั้นอันแสดงหเห็นว่าอภิชาโทมนัตอภิชาโทมนัมันก็ลดลงตั้งเป็นอันมากแล้วอันเป็นพื้นฐานจำนวนบาลีสมัยโบราณในท่านพูดนะฮะดูดพลาดชนะทองรองรับโอน้ำนมแห่งไกลศรราชสีคือพระบาลีที่อัตมะทั้งสองจะได้สังวรนาต่อไปคือคื อ, ค อ, คอมันจิตมันดุดภาชนะทอง มันพร้อมหมดเลยคนระดับเนี่ยพร้อมที่จะรับเราคิดอย่างเราคิดไม่ได้นะฮะเพราะว่าท่านไม่คิดอย่างที่เราคิดเพราะทางนี้เป็นเพราะอะไรพื้นฐานจิตท่านไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างที่เราเป็นหรืออย่างสาวมณฑชนทั่วไปเป็นโลกธาตุของท่านเหล่านี้จึงเป็นโล ก, กทัศน์ที่แปลกโล ก, กทัศน์ที่แปลกแล้วน่าทึ่งมากไม่ว่าใครก็ตามเราลองดูพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาระดับพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วมีโลกธาตุแปลกทั้งหมดเลย อยู่ในโลกมองเห็นโลกภาพของโลกต่างๆเนี่ยแต่ท่านมองโลกคนละคนละแง่กันโลกใบเดียวกันนเองท่านมองคนละจุดจากจุดเดียวท่านก็มองคนละทัศน์นมองคนละชั้นภาษาในบุตรก็อย่างนั้นดูๆพอรสบอยู่ดีๆแล้วดูทำไมมันเสียเวลาเปล่าวันนี้พวกเรานี้ก็ตายเราก็ตายได้ประโยชน์อะไรแล้วเสจแล้วก็ออกบวชตัดื้อยังไงเด็งไปไปเฉยๆใจตัดไปเฉยๆเลยต้องมาลูกมหาเศรษฐีนะ ไปไหนมีบริวารห้อมล้อมคนต้องถลายล่ะโมกรานะมีขบวนเป็นอะไรเป็นม้านะฮะเป็นม้าตั้งเป็นร้อยร้อย ะ, ะบาลีก็บอกห้าร้อยพระสารีบุตรก็เป็นวอเป็นเสลียงมีคานหามคนไอชุดละสี่คนก็ลองนึกดูี่ไปแถวไปเป็นขบวนไปเลยเป็นม โ, โหฬาร น, น ะ, ะือคนรวยมรวยจริงอินเดียเนี่ยอินเดียมันที่สุดในโลก รวยก็รวยมโหรานก็จนก็จ น, จนไม่มีที่อยู่ก็แล้วกันนะมีอาหารกินต้องเก็บเศษขยะนี่ในถังขยะกินก็นแล้วกันนี่ก็คือการมองโลกของท่านเหล่านั้นพอมาถึงนางนั้นท่ามาตาเขาก็มีแนวอย่างนั้นมองโลกผิดปกติกับคนที่คนอื่นเขามองเขาเห็นเราเข้าใจท่านเหล่านี้ไม่ได้หรอเพราะว่าจิตใจมันอยู่คนละชั้นคล้ายกับเด็กนักเรียนอนุบาล น, นะแต่มันจะตัดสินปัญหาความรู้ของพวกปัญญากระตัดสินไม่ได้ การการมองเรื่องอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะฮะดย ง, ง่ายๆเช่นว่าในประเด็นที่2คือการคุมความคิดนะฮะไม่ยินดีในทางเพศกับคนอื่นนอกจากสามีตัวเองนะความคิดนะคุมความคิดไม่ได้คุมกายแล้วคุมกายก็สาหัสสากัรนนะี่แหละคุมความคิดยิ่งไปกันใหญ่แล้วแบบไปแบบมานะีความคิดอะแวบบไปแวบบมาบางทีก็วูบเดียวแต่นั้นเองแต่ท่านคุมของท่านได้ ามาเองยังมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงหลังนะครับเพราะความคิดนี่หมยมันก็ดิ้นน่าดูแต่้าใจจริงๆอย่างแคร์พนางมายาพนางพิมพาไม่มีจิตคิดยินดีในชายอื่นเลยเพราะงั้นนางมายาจึงได้ลูกเยี่ยมที่สุดมาไงเพราะว่าจิตที่จะคิดออกภายนอกนะในแง่ทางเพศกระชายอื่นไม่มีสำนวนอะไรจำนวนที่เขาพูด ในสภาวันก่อนนะฮะภาคกิจตั้งคมคนหนึ่งบอกเป็นชู้ทางใจกับฝ่ายค้นานหลายวันแล้วเด็เคเกิดิดคอร์ดปรับปลัเลือกใหญ่เลยเอ่ออันนี้คือแสดงว่ามั น, ม, น, ม, น, ม, นมันมีความรู้สึ ก, กว่าเป็นชู้ทางใจเป็นชู้ทางใจกับคนอื่นเป็นการคุมความคิดได้อย่างลึกซึ้งมากฮะพื้นฐานทางบารมีกามราคะมันหย่อ น, นะฮะอย่าลืมนะฮะการราคะมันหย่อนลงไปเมื่อหย่อนลงไปมันมันกม็มีอะไรกระตุ้นมากเกินไป ก็ตมากเกินไปก็อย่างงั้นอย่างนั้นนะฮะคนก็สักแต่ว่าคนสัตว์ก็สักแต่ว่าสัตว์เสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปมันก็ไม่ไม่ไม่ด้นับตกไปตรงนั้นเองจากจิตอย่าลืมมาท้าตกไปจะไม่มีการปรุงต่อเมื่อไม่ไม่มีการปรุงต่อความดํำริด้วยอํานาจกลางก็ไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะความดํำรินั้นมันก็เกิดขึ้นจากการการกำหนดว่ารูปสวยแล้วก็จะดํำริเมื่อเราไม่กําหนดอะไรมันก็รูปว่ารูปท่านเหล่านี้ระดับมาตรฐานชั้นหนึ่งนะฮะชั้นที่จะรับ ยังคำนวนมาเลียที่ที่ยกมาในตอนต้นพระเทศสมัยก่อนนะฮะอโยมที่เคยฟังเทศสมัยโบราณจะพะว่าสํานวนโบราณเวลาท่านอารามประกถาท่านจะขึ้นอย่างนี้ทันทีนะฮะเติมใจเป็นผ้นาเจ้ทองรองรับเอานำนมแผงไกรซ้อนราชสีน่ะท่านทาเสียงยันยันด้วยนะโยมหลับพอดีเลยเออคือพรบาลีที่อตาตมาทั้งสองจะได้สังวรนา น, านาเนี่ยท่านจะขึ้นอย่างงั้นฮะมันมันเป็นลักษณะจิตที่ปรับมาอย่างดีพร้อมที่จะเอานมราชสีซึ่งซึ่งหายากนะ เอาไปใส่ลงในภาชนะนั้นโดยไม่ต้องขัดต้องถูอะไรนี่ก็เป็นการอุปมาเห็นว่าอาจิตใจของคนที่พร้อมจะรับธรรมะเบื้องสูงมันมีมาฐานอยู่แล้วมีม า, ฐ า, มมาฐานอยู่แล้วที่จะรับไม่ใช่ว่าเอาไปโปะลงในกิเลสนาเตะอย่าเอาธรรมะนั่งกรรมฐานอะไรช่วนรักษาศีลข้อยังไม่ได้เลยมันนั่งกรรมฐานมาอีกระดับหนึ่งนะฮะระดับที่จิตมันได้รับการขัดเกลามาพอท่องควรแล้วจังนั่งกรรมฐานได้ วันนี้ก็คือแสดงให้เห็นแล้วแล้วมนดูที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระยาศศักดิ์ศดีภาษาอังกฤก็ดีก็แนวนั้นหมแนวนั้นหมดพระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางนางสนมในบาลีว่าตั้งหกหมื่นเอาเสียว่าสักหกพันก็ได้นะหกร้อยก็เอานะฮะน้า่าจะมีลูกสักร้อยสองร้อยนะฮะมีลูกอยู่องค์เดียวแต่นั้นเองนี่แสดงหเห็นว่ากา ร, รารคะลดการมรารคะลดมันมองย้อนกลับไปที่จิต มันย้อนกลับไปที่จิตเพราะพฤติกรรมทั้งหมดมันสะท้อนมาจากจิตจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมีราคาไม่มีราคามีโทสะมีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะบางทีเราดูที่จิตไม่ออกแต่เราดูที่พฤติกรรมออกว่าคนนี้หนักไปในเรื่องอะไรหนักไปราคาโทสะโมหะอะไรมันก็หนักไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือราคาโทสะโมหะเบาบางมันก็ดูออกจากพฤติกรรมที่แสดงออกนะพฤติกรรมที่แสดงออกต่างๆมันสะท้อนกลับไปหาจิตอีกทีเป็นการมองในแนวปัจจัยการอย่างที่พูดมาใต้ในใต้ร่มโพธิญาณนะคร ยมบ่นกันว่ายากจังในโพธิญาณนก็ไม่โพธิญาณมันก็ยากกระถิ่นระดับโพธิญาณมันก็เรื่องยากทางนั้นนะฮะไม่งั้นอาจจะไม่เป็นพระพุทธเจ้ากันเยอะแยะไปหมดเลยเออทีนี้เรามาดูถึงจุดที่สรุปในชุดชุดสุดท้ายที่ท่านมาสรุปก็ทําให้เราเห็นถึงความข้อต่อไปก็คือไม่หวั่นไหวในเรื่องคือไม่ไม่ไม่ไม่เครือบแคลงสงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้านะฮะนี่ธรรมดานะฮะ อันนี้แสดงว่าต้องตอนตอนเป็นตอนได้ฟังเทศแล้วนะตอนจ ะ, ะท่านจะบรรลุกี่ครั้งก็ไม่รู้นะคือฟังพรวดเดียวเป็นประนาคามีหรือยังไงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านเป็นคนไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในธรรมและองค์นี้นักเทศเก่งด้วยนะฮะอนันทมาตาในวบาติกาท่านนี้เก่งด้วยเป็นนักเทศโต้อตอบปัญหาชี้แจงปัญหาขบคิดปัญหาลึกซึ้งคงขายมากนะฮะ เป็นเป็นเป็นระดับมือหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะก็ในด้านธรรมกะถึกแล้วเขาก็ยกย่อ ง, องนางขุชุตระารู้เจ้ายกย่อ ง, องนางขุชุตราแต่วนันทมาตานี่ก็ปราดเปรื่องเป็นลักษณะปราดเปรื่องแน ว, แนวพระมหากัจจยนะคืออธิบายธรรมะได้ลึกซึ้งจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในรัตนตรยัยธรรมดานะฮะถ้าขึ้นถึงจุดเติงแล้วจะไม่หวั่นไหว แ ต, แต่จิตใจยังไม่ค่อยจะมั่นคงจะมีลักษณะวกแวกทับสนวันก่อนนี้มีลูกศิษย์เขาจบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสีห้องค์กำลังจะทำเป็นญาโทอาจามาก็คุยให้เขาฟางังบอกว่านี่บวชมากี่พรรษาแล้วแกก็บอกตามพรรษาแกนะบอกเออนี่ไ้ร่างกายเรานี่ยนะเดี๋ยวนี้เนื้อหนังพรรษาเนี่เป็นของพระพุทธเจ้าหมดแล้วนะเนี่ย เป็นอาหารวินทบาทที่ชาวบ้านก็ตักถวายด้วยความนับถือในพระรัตนตรยัยในส่วนที่พ่อแม่เลี้ยงมานั่นก็หมดไปแล้วตอนนี้มันเห็นจะต้องเอาร่างกายชดใช้พระพุทธเจ้าแล้วเมืองเรากินของพระองค์มานี่นะไม่น่าจะซึ้งนะวันนี้บอกดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนอยากจะอยากจะออกไปข้างนอกอีกแล้วคือว่าใจยังยังหวั่นไหวยังไม่มั่นใจนะฮะตอนนี้ก็พยายามพูดแล้วเมื่อวานเมื่อคืนก็พูดกับพระได้บอกว่าข้างนอกเนี่ย คนล้นงานนะฮะแต่ขั้นในงานล้นคนเราจะอยู่ในจุดไหนของโลกจึงจะเป็นประโยชน์แก่โลกเราเองก็เท่านั้นนะครตัวก็เท่านี้กินก็เท่านั้นแล้วก็ไม่เลยอะไรนักหนาจะทํำยังไงมันเป็นประโยชน์แก่แก่โลกแก่สังคมที่อุตสาห์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กัเขาทีหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการตัดสินใจคิดของบุคคลเหล่านั้นที่จะเลือกทางคว่าเราอยู่ในจุดใดที่จะเป็นประโยชน์ได้มากก็ควรจะอยู่ในจุดนั้น การต่อไปก็คืออ น, นี้มหารจรรย์จริงๆนะนะมหารจรรย์แท้แล้วก็ยืนยันถึงมรรคผลก็คือเรื่องโอรัมภากิยาสังโยชนเป็นสำนวนบาลีนะอุทธมภากิยะสังโยช์สังโยชมันมีสองชุดอุทธำพาก็คือเบื้องสูงเบื้องสูงอุทธมภาไอโอรัมภากยะสังโยชนก็คือเบื้องต้นฮนะเบื้องต้นมันก็มีห้าข้อมองไม่เห็นนะเพราะท่านเป็นปัญหาคามีผมก็ไม่เห็นอันนี้ก็ธรรมดา อรัมภกิาสังโยชนเบื้องต้นก็คือสักกายทิฐิความเห็นเป็นเหตถือตัวถือตนถือเราถือเขานีหยาบยาบนะฮะหยาบยาบแล้วก็จนถึงกับเห็นอัตตาตัวตนนะฮะก็อย่างที่เคยเล่าฟังว่าเห็น20ชนิดอ0่ชนิดก็ไปคูน่โยไม่ต้องไปติดตัวเลขติดใจตัวเลขพูดถึงตัวเลขมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงอารกสูตร พระเจ้าทรงคำนวณชีวิตคนนะมาชีวิตคนเกิดมาชาติหนึ่งสมมติว่าตายอายุร้อยปีเนี่ยแบ่งเป็นวันเป็นกินอาหารกี่มือนะฮะทรงบอกว่าเจ็ดพันสี่ร้อยมือเจ็ดหมื่นสี่พันมือนะสะรุปมาถึงเจ็ดหมื่นสี่พันมือว่ากินอาหารมาเจ็ดหมื่นสี่พันมือได้กินในระดูเท่าไรระดูละสองหมื่นสี่พันไม่ช่เจดหมื่นสองพันมื อ, 72, มอ ก, ก, ก็คำนวณมาดูบนนี้ชีวิตอย่างดีมันก็แค่นี้เองอแค่นี้เองอย่างดีก็แค่กินอาหารอยู่ได้มากินอาหาร เจ็ดหมื่นสองพัมือแต่ก็หมายความว่าอย่างสูตรของพระองค์นะฮะคือคือคือก็คงจะกินไม่มากนะฮะไม่ใช่ว่าคนในกินจุกกินจิบไปเจอทุกอย่างกินทุกอย่างในขวางหน้า น, นี่ก็คงจะเพิ่มกันหลายมือแนะคงจะได้เป็นแสนก็ได้นะแต่ถ้ากินจริ ง, รงๆกินธรรมดานะกินเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปก็คงจะเท่านั้น น, นี่ก็คือคือตัวเลขพูดในทํานองตัวเลขเออ พวกทิฏิก็เหมือนกันนะจิตมันมันมันเกิดแกว่งแกว่งไปแกว่งมาแล้วเราก็วิเคราะห์แกไม่ออกว่าเราติดในแนวไหนคือเราจิตจิตว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราหรือเรามีในรูปจ ะ, จะยังได้อย่างหนึ่งจะยังได้อย่างหนึ่งแล้วบางทีมั่วไปหมดเลยทั้งสอย่างเลยเพราะเวทนาก็เหมือนกันนะเวทนาก็ขันห้านั่นเองคือโลกทั้งหมดในสรุปเป็นขันห้าโยมต้องต้องมองอย่างนี้นะว่าสรุปแล้วก็เป็นขันห้าเท่านั้นหรือสรุปอีกทีคือนามกับรูปเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรหลากหลายออกไปอย่างนั้นเองเราไปสร้างให้มันมากๆขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดเรียนรู้ไม่จบพระพุทธเจ้าจึงเวลาสอนระดับวิปัสนาไม่ไปรู้มากก็รู้เฉพาะรูปนามนั้นเองไม่ต้องไปรู้ไม่หรอกรู้รูปนามก็พอแล้วรูปนามแล้วสรุปโลกไว้ในรูปนามก็จะเข้าใจโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกเองไม่ต้องไปเรียนวุ่นวายเสียเงินเสียทองไปถอดสังขารไปเรียนทั้งกินแดงอะไรไปดูวังอะไรทูตสีเดียวอะไรยุ่งเปล่ามันก็รู้กับนามแต่นั้นเองนะมันก็ไม่เกินไปจากนั้นเออ ท่านก็ถ่ายถอนออกแล้วก็ต่อไปก็คือวิจิกิจฉาอย่างที่ว่านะวิจิกิจฉาโยมต้องเข้าใจนะเป็นสูตรอาจจะฟังธรรมะบางทีเอ๊ะทำไมพูดซ้ําไม่ใช่ซ้ำนะองค์ธรรมมันซ้ำอะองค์ธรรมซ้ําพระพุทธเจ้าเองอย่างเทพซ้ําเลยพระสงฆ์ไม่ได้จัดสรุปอยเทศน์นอกเรื่องได้ <laughs> พระเจ้าซ้ําเราก็ต้องซ้ําตามพระพุทธเจ้าเราอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าแสดงว่าอย่างไงเราก็ว่าอย่างนั้นซ้ําก็ซ้ําเพราะบางอย่างมันขาดไม่ได้ใกล้ใกล้กระแกงนะขาดเค็มไม่ได้พูดงานไหนก็เจอเกลืออยู่เรื่อยเลย <laughs> อันนี้คือเรื่องขาดไม่ได้ธรรมะบางอย่างนี้ทุกจุดต้องอยู่หมดเลยอย่างพวกสติสัมัญญาเนี่ยไม่ต้องห่วงจนะเจอกันเรื่อยเลยว่าโยมลองขาดสติสมัญญาขาดสติสมัญญาลองดูจ ะ, จะรู้สึกขาดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นธรรมะเรานี้จะต้องอยู่ทุกจุดของการปฏิบัติไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพูดไปพูดมาต้องเจอทุกจีนะถึงแม้จะไม่พูดถึงก็ต้องรู้ว่าต้องมีนะแม้สติแม้หิริโอ ต, ตะปะนะต้องมีสติระลึกก่อนเพราะฉะนั้นเป็นอะไรไม่งั้นก็ละอายไม่ได้ อายไม่ได้เราสะดุ้งกลัวไม่ได้สติต้องระลึกและสัมผััญญาจะต้องรู้ไอ้นั่นเป็นบาปเป็นเรื่องที่น่าครัวเป็นเรื่องที่น่าละอายแกอยู่หมดนะอดทนก็ต้องรู้นะสติตสติสัมผััญญาต้องอยู่ทุกอยู่ทุกหยุดนะกินอาหารก็ต้องรู้จะตำน้ําพริกตะโ้วยังต้องมีสติสัมผััญญาเลยทําไงสักผ้าสักพื้นรีดผ้าสักพื้นนิดๆแต่น้อยสติสัมผััญญาต้องมีทั้งหมดเพราะงั้นนี่คือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้วิจิกิจากำลังกันแกเป็นสูตรอย่างนั้นเองลอองงงงงดูวว่าาาาาคมสสสสสััยยขขเเรรรรรไ้้ใใในนพพพพะะะุทธจจ์ิ แน่นอนในศาสดาอื่นก็จะสงในศาสนาอื่นก็จะอยู่ในเรื่องเหล่านั้นสงสัยในความไม่อยู่ของพระเจ้าสงสัยหลักคําสอนของพระเจ้าสงสัยในนักบวชในศาสนาเหล่านั้นมันก็สงสัยระบบการปฏิบัติจะให้บริสุทธิ์จริงหรือไม่บริสุทธิ์จริงก็ออกมาอย่างนั้นแหละตะเพาเดียกันทั้งหมดอ่ะคือเราจะไปติดรูปแบบภาษานั่นคือสมมติเนะฮะสงสัยพระเจ้าประทานประสงค์นั้นก็คือเรื่องสมมติแต่ด้วยสภาวะเราจะสงสัยเรื่องเดียวกันสงสัยเรื่องอดีตอนาคตตั้งอดีตอนาคตตั้งกฎปฏิจจสมุปบาท กฎปฏิจจสมบัติเป็นกฎธรรมชาติเรื่องอดีตเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของธรรมชาติตั้งอดีตอนาคตเป็นเรื่องของธรรมชาติมีอยู่ทุกศาสนาเพราะฉะนั้นความสงสัยที่ภาษาบาลีเรียกว่าวิจิกิจฉานั้นตัววิจิกิจฉาเป็นคําสมมตินะฮะแต่สภาวะของจิตที่ไม่ยั่งลงในที่ใดที่หนึ่งลนะังเลเครือนแครงไม่แน่ใจจะเรียกยังไงก็ได้น ะ, ะด้วยภาษา นั่นคือภาวะของวิจิกิจะแกจะประกฏตัวออกปาอย่างนั้นพระอนาคามีธนระได้เด็ดขาดอาศีลพัตตบรมาตก็อย่างที่ว่ามาเมื่อตอนบรรยายนั่นคือลักษณะที่ติดในรูปแบบติดในศีลวัดในข้อปฏิบัติบางครั้งมันก็ประนีตนะฮะบางครั้งก็ประนีตที่จริงไม่มีปัญหาในชั้นจะตกนรกหมกไหมอะไรหรอกแต่ว่าไม่ก้าวต่อไปเท่านั้นเอง บางระดับนะแต่บางระดับนี่ตกนรกเลยวสีล <Cub hoje> ัพตรามาณ์แบางอย่างก็ตกนรกเลยอย่างนี้อย่างพวกกเรียนแบบโคนะเรียนแบบโคในแกอุตสาห์ทยู่ได้นะกินกินก็กินหญ้าแบบโคนะกินอาหารแบบโคนะนอนก็นอนแบบโคทําอะไรแบบโคหมดแบบสุนัขหมดก็พิษเลือดเดียงันนักบวชสมัยนั้นนั่นคือศีลวัดแต่บางอย่างมันประณีตนะอย่างท่าน阿拉ดาบุทกดาบุทท่านก็ติดในรูปประชาในรูปประชาถือว่านี่ที่สุดแห่งทุกแล้วเอเซวันโตนุกสะนี่คือที่สุดแห่งทุกท่านก็หยุดแค่นั้น นั่นก็เป็นลักษณะของศีลับปัตตระมาตที่จริงไม่เบานะฮะท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นอรู ป, ปรพรมอ่ะแต่คือคือศีรับปตตระมาต์ในชั้นหนึ่งสมบมรรคผลมันก็คงเป็นศีรับปัตตระมาต์เท่านั้นเองบางครั้งเป็นธรรมที่ประณีตมันดีสําหรับชั้นหนึ่งแต่เสียสำหรับที่จะก้าวต่อไปนะฮะที่จะก้าวต่อไปธรรมะพระเจ้าจึงทรงแสดงในลักษณะเหมือนกับยานปาณะเหมือนแพร่ที่อาศัยข้าไปเรื่อยๆหรือเหมือนรถในที่เคยพูดใน รัตวีดีวสูจนะฮะวิสุจน์ที่7จ็ดพูดเรื่องรถเจ็ดผลัดถึงจุดหนึ่งต้องทิ้งถึงจุดหนึ่งต้องทิ้งแต่ว่าต้องอาศัยเขาให้ถึงถึงช่วงต่อไปแล้วเราก็ขึ้นช่วงต่อไปแต่นั้นเป็นเป็นการอธิบายเชิงรูปธรรมนะฮะแต่ว่าเชิงนามธรรมแล้วไม่ใช่ว่าพอถึงขั้นสมาธิจะทิ้งศีลไม่ใช่อย่างนั้นพวกนี้ก็าเงอาศัยการศีลจะประณีตขึ้นจะสงบสูงขึ้นแล้วจะปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงชั้นของสมาธิ เ อ, อระปัยก็คืออะไรคือการมระคะความกำหนัดในวัตถุกรรมด้วยอำนาจแห่งกิเลสกามจิตใจของคนมีความกำหนัดของเรื่องนี้ทำไมกำหนัดในวัตถุกรมเพราะเรายังมีกิเลสกามถ้าไม่มีกิเลสกามจะมีกรรมความกำหนัดในวัตถุการ ม, รา ม, ารมาไห ม, ม, ม, ม, ม, มไม่กำหนัดเหมือ น, นอะไรเหนตบมือครั้งเดียวไม่ดังอย่างนี้ยอกอุปมาให้ฟังนะครมันจะ ต, ต้องมีสองอย่างเสมอ คือใจเราจะต้องมีความกำหนัดในวัตถุการมเหล่านั้นทําไมยังกำหนัดทาไมความจิตเราไปยอมรับคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นนั่นรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรส อ, อร่อยสัมผัสน่าจะต้องถ้าใจไม่กาหนดวัตถุการมก็คือวัตถุกรรมต้องมีการวินิจฉัยตกลงใจได้ก่อนนะเราจะพบว่าไอ้วัตถุกรรมบางอย่างนั้นมันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิด เ, เดท่าก็โฆษณาคินค่ามาใหม่ๆหม่บางทีเราก็เฉยเฉยนะ ไดยินครั้งแรกก็เฉยๆไม่อิทธากันตามมนาปาไม่น่าใคลาไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรพระเจ้ายังไม่กําหนดพระเจ้าจึงใช้คําว่าดำรินะดูก่อรรามเจ้าเกิดจากความดำรินี้เองแบบนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดขึ้นภายในจิตใจเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราดำริทําไมดำริเพราะเรามีกิเลสกรรมถ้าไม่มีกิเลสกรรมจะดำริไหมเจ้าก็ไม่ดำรินั่นคือวงจรของมัพระนาคามีท่านก็ตัด กรมราคะซึ่งเป็นตัวลึกนะฮะกรรมราคะเป็นพวกอนุสัยใช้คํากรมราคาอนุสัยถึงกิเลสละเอียดนะประเภทนี้ถ้าพูดถึงความจริงแล้วถ้าไม่มีอะไรมากระแทกนะไม่กระแทกมันจากข้างนอกแรงๆนะแกจะไม่เกิดกิเลสประเภทนี้ประเภทอนุสัยนะฮะแต่ถ้ามากระแทกแรงๆก็พังโครเหมือนกันนะ ถ้ายังไม่เป็นพระยะบุคคลนะเพราะว่าคนสามัญชนจะละได้อย่างดีก็ด้วยกำมังชานเะท่นั้นพวกชานมันเสื่อมได้โดนกระแทกแรงๆพังมาเป็นแถบๆแนละ้วพวกฤาษีทั้งหลายยังระบาดแตกกันเป็นแถบตนะ่างๆแถบปหิมะพานเนี่ยเพราะงั้นผู้เหล่านี้จึงละได้เด็ดขาดจริงๆระดับพระอนาคามีเท่านั้นพระอนาคามีจึงเป็นอนาคาริจริงๆคือไม่มีเรือนจริงๆจะอยู่ภายในเรือนก็เป็นอนาคาริคือไม่ครองเรือนนะยิ่งอยู่ใน ในวัดนั่นคืออนาคาริจริงๆเป็นการดึงกายดึงจิตออกจริงๆตัวนพระโสดาบันนั้นมีครอบครัวนะนางวิสาขาจงกุษาขยันเกิดลูกได้ทั้งยี่สิะขนาดเป็นพระโสดาบันตั้งแต่7จขวบนะคนเนี้ยัยงกุษาเกิดลูกได้ตั้งแต่70นะไม่คุมกําเนิดแตกระแต่นท่านรวยนะอันรวยไม่ปรรณาอะไรไม่ได้คุมกําเนิดมีลูกต้องสี่ตั้ง20นะฮะแล้วก็ทันถึงหลานนะฮะท่านอยู่ทันถึงหลานว่าท่านมีอายุถึงร้อยยี่สิถึงตาย เป็นเป็นเป็นเป็นคนสําคัญมากสมัยพุทธการเรียกว่ามหาอุบาติกาบาติการะดับหนึ่งบาติกามือหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาตลอดเลยคือทําตัวเป็นลูกสาวคนโตทีเดียวคนนี้เหมือนกับนาตาบินติกาเศรษฐีทําตัวเป็นลูกชายคนโตไปเลยที่จะเอาเรื่องเอาราวทุกอย่างสารพัดก็อยู่มายัง่งยืนแยะทีนี้ต่อไปก็คืออะไร คือกรรมราคะอย่าลืมนะฮะว่าถ้าไม่มีกิเลสกรรมเราจะไม่มีวัตถุการมมันมีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแดีวมันมันมาทำอะไรมันเนาพระพุทธเจ้าก็อยู่ท่ามกลางวัตถุการมทั้งนั้นเนี่ยมีอะไรไหมวัตถุกรรมันจีวรก็เป็นวัตถุการมนะอาหารก็เป็นวัตถุการมวัตถุการมไม่ใช่คำหยาบอะไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมในจมูกริมในลิ้นถูกต้องโดยการคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์นั้นคือวัตถุกรรมทั้งหมดแต่มันจะกรรมสําหรับใครนั้นก็เป็นอีกเรื่ออออองงงงงนนนนึไม่่่ใใวาุกคคตตต้้้รพจยิดี็เปละะ บางคนไม่คลายไม่ปรารถนาไม่พอใจก็มีตัวการสาคัญที่บ่งชี้ให้เกิดอาการอย่างนั้นก็คือมีมีกิเลสมีกิเลสกรรมหรือไม่มีกิเลสกรมถ้ามีก็จะยินดีถ้าไม่มีก็จะไม่ยินดีก็เท่านั้นนะฮะแล้ปาิคะกรมราคะปฏิะาคาฏะโทสะลึกนะฮะกรรมราคะก่อนนะกิเลสประเภทราคะด้านป็นกิเลสที่มีโทษน้อยแต่คลายได้ช้าและบทลากะจริงๆเราจะพบว่าท่านละกรมราคะได้ก่อน เราก็ละปฏิฆะปฏิฆะคือกิเลสสายโทสะมันมาถึงชั้นนี้เขาไม่เรียกโทสะแล้วเขาเรียกปฏิฆะคือมันเพียงแต่ไม่พอใจนิดเดียน้อยแต่คือกิเลสนะคือไฟจะน้อยหรือมากก็คือไฟกิเลสจะน้อยหรือมากก็คือกิเลสถึงชั้นนี้เป็นปฏิฆานุสัยเป็นปฏิฆะสังโยชน์เป็นปฏิฆ า, านุสัยท่านก็ละได้เด็ดขาดจึงเป็นเรื่องมหาสัจจันท์ที่แท้จริงนะครับ นี่ก็คือเป็นชีวิตของสตรีมหัศจั์เป็นอุบาสิกาผู้ใหญ่ที่มากผลแล้วก็สูงกว่านางวิสาขานะเพราะนางวิสาขาเป็นระโสดาบันเท่านั้นเองแต่ท่านเป็นพระนาคามีดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างของบุคคลพิเศษประเภทที่พระราหารันระดับภาษาลิบุตรยกย่องทุกขั้นตอนที่ท่านสงบจิตได้พึงพึ่งตะเกงสงบจิตได้ในขณะนั้นในอะไรก็ตามอารมณ์อะไรก็ตามท่านสงบจิตได้ที่ถือเป็นความมหสัสจัล เพราะบางครั้งบางคราวคนเราเวลามีอารมณ์เราซึส ง, งบใจไม่ได้จึงกลายเป็นไม่ค่อยมหาศารจันแต่ความมหาสารจันต่างๆจะเกิดขึ้นแก่คนที่มหาสารจันมหาสารจย์ตรงไหนในกรณีนีกนนน้ก็คือสงบจิตได้สงบจิตในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายได้ทุกจุดลองสังเกตในภาษ า, าทีบุชชตรใช้อย่างนี้ได้ทุกจุดนอกจากนอกจากข้อสุดท้ายอันนั้นมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัดด้วยมากไปเป็นตัดด้วยมากจึงเป็นความสงบอย่างแท้จริงสมบประสูตรเรื่องมาตาสูตรหรือ สตรีมหาสจั์ก็ยุจิไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด้ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถอ